มีสติขึ้นมาเพื่อจะได้ตัดตอนชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆวงเล็บเปิดสาพฤศจิกายน2549หยวงเล็บปิดเรามีสติขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะตัดตอนชีวิตของเราให้ขาดเป็นท่อนๆแต่เดิมชีวิตของเรานี้เป็นอันเดียวรวดเลยคือหลงตลอดชาติเลยเรายังไม่รู้สึกตัวว่าหลงเราจะรู้สึกว่าเรามีอยู่จริงๆ รู้สึกว่าจิตนี้เที่ยงจิตนี้คือตัวเราเพราะว่าจิตมันหลงไม่เคยขาดตอนลงไปให้เห็นเลยเราฝึกจนสติเกิดนะมันจะขาดตอนอัตโนมัติเลยจิตที่หลงเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วดับไปฝึกอย่างนี้ในที่สุดจะเห็นเลยจิตทั้งที่เผลอไปทั้งที่รู้สึกตัวทั้งที่มีสติทั้งที่ไม่มีสติล้วนแต่เกิดแล้วดับ เวลาเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมนี่เข้าใจทั้งคู่เลยไม่ใช่เอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไม่ใช่เอาจิตที่มีสติเกลียดจิตที่ขาดสติเพียงแต่จิตมีสติเป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเองเพื่อจะได้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองท่านถึงบอกว่าธรรมะเหมือนเรือเป็นเครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นเรามีสติขึ้นมาแวบเห็นเลยชีวิตที่ขาดสติดับไปแล้วมีสติอยู่ชั่วขณะสติก็ดับอีก ถัดไปจิตอาจจะมีสติหรืออาจจะขาดสติก็ได้เราเลือกไม่ได้โวตะทัพนัจิตมันเลือกมีจิตดวงหนึ่งเลือกแทนเราเราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจะมีสติหรือจะขาดสติก็เลือกไม่ได้ถ้าจิตมีสติขึ้นมาอีกมันก็จะระลึกได้ว่าเมื่อกี้มีสติอยู่เมื่อกี้รู้สึกตัวแล้วถ้าจิตดวงถัดมาไม่มีสติมันก็เผลอไปอีกแล้วเดี๋ยวจิตที่มีสติมาระลึกใหม่ออเมื่อกี้เผลอไป พอเมื่อกี้เผลอไปรู้สึกตัวแวบเนี่ยถัดจากนั้นอาจจะเกิดโลภะแทรกกลัวเผลอไม่อยากเผลออยากจะรู้ตัวเพ่งเกิดการทํางานทางใจก็ให้รู้ทันว่าเกิดการทํางานทางใจแล้วเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเขาจะแดัดแปลงเขาจะพลิกแพลงยังไงตามรู้ไปตามรู้ไม่ใช่เพื่อเอาอันใดอันหนึ่งหรือเพื่อปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เอาจิตที่มีสติไม่ได้ปฏิเสธจิตที่ขาดสติ เพราะจิตที่มีสติและจิตที่ขาดสติสอนธรรมะเราอย่างเท่าเทียมกันเพียงแต่ต้องมีสติขึ้นมาเพื่อจะได้ตัดตอนชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ อ, อยู่ในช่วงเล็กๆของปัจจุบันช่วงเล็กๆจะเห็นแต่ว่ามีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถึงจุดที่แจม่มแจ้งก็จะรู้เลยว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นปัญญามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าฝึกจนไม่มีความขาดสตินะสติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้หรอกเกิดได้ก็ดับได้